เทอุรมในคืนวที่11เมษายนพศสองพันหารอสิณวัดป่าบันตาจังหวัดอนธานีโดยพระอาจารย์มหาวานัสสัมพโนนี้จะเริ่มแสดงต่ำโปรดท่านฟังทั้งหลายนละมัตราวเสียง เป็นสิ่งสำคัญเป็นค่าสุดแก่การแสดงธรรมและเป็นค่าสุดแก่ผู้ตั้งใจฟั ง, งดีๆท่านต่างมือมาเพื่อหวงังประโยชน์อย่างยิ่งนั้นผู้สงเคราะห์ในฐานะที่ว่าเป็นอาจารย์ของ ตั้งใจสมประบเต็มกำลังความสามารถทั้งไม่ได้ปิดบงังลี้ลักในสิ่งที่จะสามารถแสดงให้ฟังได้เพื่อให้สมกับเจตนาของท่านที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าสลักทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตจิตใจ ซึ่งเป็นของที่มีคุณค่าในตัวของเราแต่และท่านละท่านก็ยอมเสียสลับไม่เช่นนั้นจะมาสู่สถานที่หนึ่เพราะทางกไกลแสนไกล500กิโล หน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำในวันหนึ่งวันหนึ่งคุนได้ปล่อยวางมานี้มีจำนวนเท่าไรและกี่วันขอสลักมาเสียสิทธชีวิตจิตใจจะเป็นจะตายก็หมอบถวายบูชาแต่คุณพระพุทธเจ้าเท่าทำเื่อสมด้วยความเชื่อความลมใสและมั่นใจอย่างยี้ ต่อคุณงามความดีเห็นใจและขอขอบคุณบรรดาทุกทุกท่านที่มีสาระศรัทธาคือเป็นผู้มีศรัทธาแกวกล่าในพระพุทธศาสนาหมดเป็นเช่นนั้นผู้แสดงก่อแสดงด้วยความเห็นอกเห็นใจ ที่มูลหวังอย่างเรีกล้าของท่านที่เสียสระทุกสีทุกอย่างมาแต่การแสดงธรรมมะป่านี้ไม่เหมือนกับธรรมะที่ธรรมศุษารละเวียนมาอย่างจำชอตทั้งแต่ว่าธรรมมะป่า เป็นไปด้ฝักเวนนําเป็นไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง้ะก้าวไปก้าวมาความลำบากการแสดงทําในลักษณะแห่งธรร ม, มป่าก็ยอ่อมขูดขับเช่นนั้นเหมือนกันยินงมีสินได้สิ่งนี้งมากเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็คอยแต่จะล่มละลายลงได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับบุคคลที่เข้าป่าลบจับมีอะไรมา กาะิวเท้านิดหนึ่งก็ต้องล้มเพราะสถานที่ไม่ราบดินมีการแสดงทำมาป่ากฎแสดงด้วยความตะเกียบตะกายเช่นนั้นไม่ได้แสดงด้วยความราบเรื่อและเรียบร้อยทั้งความจ้ำชองดินใดๆนั้นจึงเรน้มันระวังในการแสดง คำว่าของดีไม่ว่าด้านวัตถุไม่ว่าด้านนามธรรมาำคำว่าของดีไม่ไม่ว่าด้านวัตถุหรือด้านนามธรรมาคือสิ่งที่รู้สึกอยู่ภายในใจ เป็นสิ่งที่ทั่วโลกปรารถนาอย่างนี่งนั่นพันปูมมุ่งต่อของดีทั้งสองตัวเพศนี้โปรดอย่าได้ลืมสาเหตุที่จะให้ของดีเกิดขึ้นทีหนัง ที่นอนที่อยู่อาศัยดีเราก็รู้สึกสมายใจเครื่องนุ่งค ม, มอาหารการรับทานาเป็นของดีถูกกับตักกันและชิวฮักระตาทมีรถมีชาการรับทานก็ชวนให้ดื่นให้พอใจที่จะรับทานและก็รับทานได้มากตามกำลัง ของ้าขันที่กล้าพรถ้าหากเป็นของไม่ดีก็ยอมอุดอัดเื่อผ้าเครื่องนุ่งห่มสกรปรกนอกจากเราเห็นว่าไม่ดีแล้วคนอื่นก็มีความเห็นเช่นเดียวกันฐานที่อยู่มันรกรุงรัง เปื่อนในความส ก, กรปรบทรงพิมพุ่งอยู่ทุกแขนไปทุกแขนทุกผมการอยู่หลับนอนก็ไม่สนิทใจถึงจะฝืนอยู่ก็ขวางปิดขวางใจอยู่นั่นเองอยู่นั่นแหละไม่เป็นที่สะดวกทั้งกายไม่เป็นที่สบายทั้งใจนี่เราเรียกว่าสถานที่นี่ไม่ดีอาหารไม่ดีก็เหมือนกัน ไม่ว่าประเภทหวานประเภทขาบเป็นเหตุนี่ขวางธาตุขันของเรากืนก็ยากเนี้ยจะจำใจกืนลงไปเคี้ยวลงไปแต่ใจก็ต้องถูนอยู่นั่นแหละเครยงสิ่งที่กล่าวมานี่ไม่ได้ไหมายถึงความเป็นโพดเป็นภายแต่ถือกันว่าเป็นของไม่ดี เราก็ทราบวัาเป็นของไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเพียงเท่านี้ยังต้องฝืนจิตใจของเราให้เป็นไปไม่สะดวกเราไปโดนหมู่เพื่อนไม่ดีอีกคอยแต่จะหลอกลวงต้ม ต, ตุนไปอีกอันนี้ก็แย่ไปอีก ได้ลูกก็ได้ลูกไม่ดีบอกไม่เชื่อหือไม่เชื่อฟังประพืดเอาตามอําเภอใจไม่สนใจกับจิตบ้านการเดือนไม่สนใจกับคําสั่งสอนที่ดีงามของผู้ปกครองนี่ก็เป็นกรรมเป็นเมรุอันหนึ่งแก่ผู้ปกครองไม่น้อนนี่คือของไม่ดี ได้ภรรยาไม่ดีอีกหรือได้สามีไม่ดีอีกทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นคู่กรรมคู่เวรกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งคิดแต่เรื่องที่จะทำความแตกรกล้าวให้แก่กันไม่เคยคิดจะมีความสมัครสมานหรือรักใครฝากเป็นฝากตายซึ่งกันและกันจะอยู่ก็ลำบากนั่งก็ลำบากนอนก็ลำบาก ไปทำผิดการงานในบ้านนอกบ้างไปที่ไหนมีความลำบากเพราะมีแต่ของไม่ดีเต็มไปหมดสิ่งที่ไม่ดีซึ่งกล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสลงใจและเป็นพิษเป็นภัยแก่ใจของเราไม่น้อยไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดจับปรารถนาในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ไม่มากก็ต้องน้อยฉะนั้นเมื่อเราทราบในสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเราให้ดีหากว่าจะประสบ เข้าบ้ังก็อยากให้รุนแรงการที่จะประสบเข้าบังก็เนื่องจากว่าความผิดพลาดของเราย่อมมีด้วยกันทุกคนเพราะเป็นผู้มีกิเลสอาจจะมีเวลามืดเวลาแจ้งอยู่ภายในใจทั้งๆ ท, ที่เป็นกลางวันก็ต่างแต่ภายในจิตใจนั้นเป็นอีกอย่างจากกลางคืนและกลางวันมีการ มืดได้แจ้งได้ด้วยความคิดผิดคิดถูกของสามัญชนที่มีกิเลสหลักการปฏิบัติเพื่อการดีเลี้ยงสิ่งเหล่านี้นอกจากจะดำเนินตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกจะ นำเนินให้เป็นไปเพื่อความสมหวังได้ยากไม่ว่าการหรือสมัยตลอดสถานที่หรือพกชาติ ใ, ใดๆต้องอาศัยหลักธรรมะนี้เป็นเครื่องนำเนินคือเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติคำว่าธรรมะเคยได้แสดงให้ท่านคือฟังทราบแลวมี ทั้งเหตุมีทั้งผลเหตุคือแนวทางดําเนินท่านชี้บอกว่าให้ประพฤติตัวอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการถูกต้องทังนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นทางเดินแห่งความประพฤติของเราเช่นเขาด้วยไม้เขาต้องมีเส้นบรรทัดดีดไว้แล้วเรื่อยไปตามเส้นบรรทัดที่ดีดไว้นั้น พ่อโครงแนวและสําเร็จเป็นแผ่นกระดานออกมาเป็นแผ่นๆเป็นชิ้นๆเราจะทําหน้าที่การงานอันใดโปรดได้เล็งถึงความถูกต้องที่จะให้ผลอย่างไรบ้างและโปรดได้เล็งถึงความผิดจะให้โทษแก่เราอย่างไรบ้างเมื่อได้เอามาพบรวนหรือบอก ลบกันโดยเรียบร้อยแล้วสิ่งใดที่จควรแก้ไขก็ให้แก้ไขแม้จะเป็นความลำบากในการแก้ไขฝุดเครืองก็าตามจาเป็นก็ต้องฝืนแก้ไขทั้งๆ ท, ที่มีความฝุดเครืองอยู่ภายในใจเช่นเดียวกับุคลที่เป็นโรคยาประเภทต่างๆ ที่จะควรรับเพื่อแก่โรคประเภทนั้นๆจะมีรสชาติไม่พึงปรากถนาจำต้องก็รับไม่รับไม่ได้โรคที่ควรจะฉีดก็ต้องฉีดถึงจะเจ็บบ้างก็ทนเพราะมองเห็นผลขานาดซึ่งควรจะผ่าตัดก็จำต้องผ่าตัดจะฝืนใจอยู่เฉยๆทอก กัวความเจ็บปวดในการผ่าตัดโดยแม่คำนึงถึงโรคภายในนั้นจะมีโทษร้ายแรงแก่ตนอย่างไรบ้างหากไม่ผ่าตัดเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องคำหนึง่งเรื่องความอยากของคนเราไม่มีสิ้นสุดท่านเทียบไว้ว่า แม่น้ำในมหาสมุทรทะเลจะแม้จะกว้างแสนกว้างจนมองไม่เห็นฝั่งทางโน้นเห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบอยู่นี้เท่านั้นก็ตามท่านก็ยังว่าไม่ได้กว้างไม่ได้ลึกเหมือนความอยากของใจเรารับทานอาหารเพราะความหิวของธาตขันยังมีเวลาพอ ไันได้รับทานไปมากมายอะไรนะก็เพียงพอกับธาตุที่ต้องการแต่เรื่องความอยากที่ฝังอยู่ภายในใจโดยแม้คำหนึ่งถึงความพอดีและมีรั้วกันบัางแล้วความอยากนี้ความอยากนี้จะต้องแสดงนิดแสดงเด็ดออกไปทุกวันทุกวันยิ่งให้ปล่อยให้เป็นไปในทางตำ่ำ โดยก็มีการยับยั้งดวยแล้วก็นับวันที่จะไหลลงไปทุกทีทุกทีโลกของเราไม่เป็นของไม่เที่ยงแต่ไหนแต่ไรมาข้อนี้ควรคำหนึ่งอย่างสมัยก่อนก่อนกับสมัยนี้ผิดกันมาก ความประพฤติของคนอธัธยาศัยใจคอหน้าที่การงานการไปการมาไม่เหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ทุกวันนี้รู้สึกว่าสังคมก็มากมูอเพื่อนก็มากผู้คนก็มากการคบค้าสมาคมกันก็รู้สึกว่ามากขึ้นทุกทีนอกจากนั้นยังมีตาม ชาติต่างภาษาเข้ามาค้าข้าสับปนกันไปขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศของแต่ละคนผู้ใดมาจากที่ไหนก็ต้องนำมาเมื่อเข้ามาค้าขากันแล้วโดยมากกบ จะทำให้เสียถ้าผู้มาใดใช้ความพิพจารณาอยู่บ้างสิ่งใดที่เราเห็นว่าดีจะมาจากแดนใดก็าตามเราถือมาเป็นคติตัวอย่างนำมาให้เป็นประโยชน์สาหรับเราและประเทศชาติบ้านเมืองของเราสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นภัยแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดถึงมีสายใจคอของประเทศชาติบ้านเมืองและตัวของเราแล้วสิ่งนั้นควรจะระมัดระวังถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามการตามการตามสมัยนั้นหรือตามความสังคมตามความนิยมของสังคมนั้นเราควรจะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าสังคมนี้เป็นสังคมอย่างไรบ้างหากไ้พิจารณาอย่างนั้นก่อนแล้ว จะเผลอตัวแล้วเสียไปคนทั้งคนซึ่งเป็นของมีคุณค่าจะกลายเป็นของหาราคาไม่น่้คือเฟอร์ไปหมดเฟอร์ไปทั้งหญิงทั้งชายใครมีลูกมีหลานมากเท่าไรทิ้งตกอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็ยิ่งเป็นไทยมากเดือดร้อนทั้งกลางวันกลางคืนแม้เช่นนั้นมันก็ยัง ผ่านไปต่อหน้าต่อตาของเราเรื่องความเสียหายดังที่กล่าวนี้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มจะต้องพิจารณากันอย่างมากหากไม่มีหลักธรรมะเข้าเป็นรั้วกั้นแล้วจะไหลเตลิดเปิดเปิๆจนไม่มีขอบเขต วิชาของมนุษย์กับวิชาของสัตว์ขนบธรรมเนียมของมนุษย์กับของสัตว์นั้นจะพระเข้ากันจะไม่มีอะไรเป็นของมีคุณค่าในระหว่างแข่งมนุษย์กับสัตว์คือไม่มีอะไรแปลกต่างกันนี่แหละถ้าหากว่าเรามีหลักธรรมะเข้ายักยั่งแล้วจะเสียไปเลยไม่มีความละอายไม่มีคุณค่าทั้งผู้หญิงผู้ชาย มองเห็นกันแล้วยิ้มไปเหมือนกับชุนกลางบ้านกลางตลาดมันยัมองดูที่รับที่แจ้งมันยัมองดูสถานที่สมควรหรือไม่สมควรเพราะเรื่องความทะเยอทยานความพุ่งเฟอ้เฟอเฮืเอมความตื่นเต้นตามการตามสมัยตามหมู่ตามเพื่อนตามรถนิยมหาชุดลากให้เป็นไปเป็นลืมเนื้อลืมตัว ลืมพ่อลืมแม่ลืมผู้ปกครองลืมครูลืมอาจารย์ลืมหลักธรรมหลักวินัยลืมขนบธรรมเนียมของประธรรมเนียมธรรมเนียมประเพณีบ้านเมืองซึ่งเป็นของดีงามที่บรรพบุรุษได้เคยทานำเนินมากลายเป็นคนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ไปหมดและหาคิดดีจากความกระพฤติบในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำสมัยนั้นไม่มี นอกจากเป็นเรื่องเลี้ยวแหละไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เคยทรงหลักประเพณีอันมีธรรมะคําสั่งสอนของพูดที่เจ้าแทรกอยู่จะได้คำานึงนํานำมาปฏิบัติด้วยจึงหวนไววด้วยดีอย่าให้สิ่งจอมปลอมเข้ามาเหยียดย่ำจะแหลกเลี้ยวไปหมด ส่วนที่เราได้จากผู้แฝงมาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นแดนไกายนั้นก็คือเงินการเงินการงานรู้สึกว่าจเจริญรุ่งเรืองใครอยู่ที่ไหนคิดหาเงินหาทองรู้สึกว่าได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่เหมือนแต่ก่อนแต่คิดทางไหนเอาทางไหนก็ได้หน้าที่การงานมีเยอะ แต่เรื่องของใจซึ่งเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์นี่นั้นค่อยเสียไปทุกวันทุกวันเราอยากจะทราบก็เดินไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นที่ทุกชุมชนของพวกที่จรจรเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเรานี้เราจะเห็นได้ชัดนี่อ่ะสิ่งที่เสียไปคือสิ่งที่มีคุณค่ามากในใจใจ รับสมบัติได้ได้มากินแต่หลักขนรรมเนียมหรือหลักตีนทมที่มีอยู่ภายในใจซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยรักษาหมาันเราเอาไปทำให้ทิพหายปนปีหมดนี่เป็นเรื่องที่ว่าได้ปลามาแต่แห่หายไปปลาตัวหนึ่งมีราคาเท่าไหร่แผบพื้นหนึ่งมีราคาเท่าไหร่ มีมาขาดทุนตรงนี้ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ น, นี้จึงควรจะพิจิตรพิจารณาอย่าให้โลภทวนมองข้างหลังบ้างข้างหลังคือพ่อคือแม่ของเราตู อ, อาจารย์ของเรามองข้างหน้าอีกก็คืออนาคตของเรา คนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตนั้นคือคนดีในปัจจุบันนี้พยายามฝึกหัดดัดแปลงตนให้ดีในปัจจุบันวันนี้ก็ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีอนาคตที่ยื่นออกไปง้นไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นใครก็คือตัวของเราผู้ปรับปรุงตัวให้ดีอยู่เวลานี้เนื่องความเสื่อมเสียหรือความแล้วแหลก ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเริ่มเสื่อมเสียไปตั้งแต่ความประพฤติของเราไม่ดีไม่งามเสียไปวันเล็กวันน้อยเสียไปมากมากก็หมดที่จบที่แหวะระเบิดะเลยดเปิงไปหมดเลยนี่เสียมากเสียคนทั้งที่มีชีวิตลมหายใจปลอดๆอยู่ก็เสียไปแล้วเป็นคนที่หมดคุณค่า ะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมทั้งผู้ที่อยู่ครองเรือนทั้งผู้ที่เป็นนักบวชคือเป็นพระเป็นเนรพวกเรากับพระพุทธเจ้าก็มีร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกันเหตุไดท่านจึงต้องสอนพวกเราม่ควรคำน การทำมาหาเลี้ยงชีพพระพุทธเจาวว้าขอสอนหน้าที่การงานอันใดที่จะเป็นประโยชน์ไม่กระทบกระเทือนแก่ตนและบุคคลผู้อื่นพระพุทธเจาวว้าขอสอนสมบัติที่ได้มาจากหน้าที่การงานพระพุทธเจาวว้าขอสอนต้องเก็บหอมรอมริบไม่เป็นคนรุ่งรุ่สุร่รายเห็นแก่การจับจ่ายค่าเลี้ยงสอนหมด การเลี้ยงชี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งจ่ายไปมากไปน้อยพอดีกับคนในครัวเรือนหรือพอดีกับตัวแค่ไหนมั่งท่านก็ให้มีความพอประมาณเอาไว้เป็นตัวกันมาให้จ่ายอย่างสุรุสุราจนกลายเป็นนิสัยของคนนักจ่ายหาลงเป็นนิสัยใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่ทั้งนั้นเหมือนกันกันกบหม้อที่รัว่ว เอาน้ำเทลงไปเท่าไรก็ไม่มีขังเทไปมากเท่าไรก็ไหลออกหมดน้ำในบึงในบ่อในมหาสมุทรทะเลมเทลงไปก็ไหลออกหมดใจที่รั่วแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นหลักใจคือหลักทรัพย์หาทรัพย์จะหามามากเท่าไรก็ตามถ้ามันมีหลักใจไม่อยู่ไหลไปหมดเพี่ยงไม่มีอะไรเหลือ ครับผูทายเจ้าก็สอนให้มีหลักทรัพย์คือหลักใจเราจะจ่ายไปสักกี่สตางค์กี่บาทให้มีเหตุมีผลว่าควรจ่ายไปจริงหรือไม่การเก็บไว้ก็มีเหตุมีผลการจ่ายไปมากน้อยก็มีเหตุมีผลไม่ใช่จ่ายไปด้วยความเคยชินไม่เคยไม่ได้จ่ายไปด้วยความชื่อหลุสุรัดโดยหาประโยชน์ไม่ไาน เรียกว่าคนมีหลักใจคนมีหลักใจก็มีหลักทรัพย์ได้มามากน้อยก็เก็บไว้ได้แม้จะเก็บไป